เทศอบรมพระวันที่29พฤศจิกายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เด็ดมากดีมากเทศดับความโกรธให้ดูจิตตัวกำลังโกรธก่อนอื่นาศาสนาคือน้ำดับไฟอยู่ในที่น่ากลัว จิตประคองความเพียรได้ดีและดีมากได้เคยปฏิบัติเห็นผลประจักษ์มาแล้วอย่าเสียดายความคิดปรุงใดที่เคยเป็นมาอย่าลืมว่ากิเลสกล่อมใจของสัตว์โลกได้ละเอียดสุขุมมากตลอดมาจงฝืนมันกิเลสอยู่นอกคัมภีร์มีมากต่อมากต่อมากแต่อยู่ในหัวใจของคนของสัตว์ทั้งสิ้น ทมที่พระองค์ทรงสอนโลกเรื่อยมาจนถึงวันนิพพานนั้นมีมากต่อมากในคาภีเท่านั้นมีน้อยมากสอนให้หมู่เพื่อนตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าสักแต่ว่าจะมาเอาชื่อเอาเสียงเพื่อไปจับจ่ายขายกินซึ่งเป็นความเบลซามท้ายแห่งการเทศนาท่านพูดนิสัยอาจารย์คำดี พาดผนตอนหนุ่มๆท่านเปลี่ยนใหม่ยางเด็ดขาดท่านพูดราคาํำเริบใหญ่ให้ฟังกันนี้ดีมากไปตลอดท้ายการพูดก็เป็นคติดีพูดเรื่องธรรมะสำคัญอยู่มากพูดเรื่องผู้ทรงมรรคผลมีอยู่ปัญหาสำคัญของผู้ปฏิบัติไม่ค่อยมีในคำพีแต่มีอยู่ในใจ ท่านพูดเรื่องจิตท่านอาจารย์ฟันน่นใสแจ๋วธรรมาะานาดนี้ภาวนาพก็ย า, า, ากันบากคอยอดทนเอาถ้าเราไม่นั่งตั้งใจนั่งมันต่ลรูปมันก็เป็นอย่าง เราตั่งทําวลาคนก็เหนื่อยเหมือนกันรพักไปตเราตั้งใช้เะตลอดสลอดเหนื่อยก็เหนื่อยที่เหนื่อยเลยตายอย่่าท่านันเองถึงเวลากราออกไม่ได้เราม่ตั้งใจกันวเรเคยวาเรนังขนาดสามสี่สี่ชั่วโมงนี่ธรรมดานะผม แมงไม่ปรกากฏเวทนาะจะมาลกกวัญอะน่สามสี่ 3, ชั่วโ ม, ควมคง 3, 3, วมความเคยนั่งหามลุงหามคำเคยนั่งแล้วแลนั่งนั้นคือเป็นธรรมดาธรรมดานั่งเหมือน น, นน้องไม่เห็นนานเลยลุกมาพาอออกจากที่รายการตงสองชัวมงสองชวมงกว่า ดีไมถึงกลางวันตอนเย็นนีน้ถ้อาจาร์หนาวบาทีเราเดินเหน่อยแล้วไ ป, ไปนั่งก่อนเห็นหน้าร้อนอันนมันม น, น, นื่นอยเห่อยน้ารอนั้อนแล้กวก็อ่ะตร่ำกนเย็นแล้วก็นั่งสบายๆนแรงข้ขขอเท้าังคงส่ทุ่มห้าทุ่มถึงน เดิไม่มีไฟแต่หาที่เจีเพราะไม้มันลวงแต่หาที่ลงลวงเดินตามทางลวงมองจนมู้ามีงูมาผ่านเห็นพอดินมันขาวๆงูมันก็ดำๆเป็นเงาควายเหเดินสี่ชั่วโงห้าชั่วงเราจะคอนิสัยข้อนะ ศาสนาคือน้ำดับไฟไฟราคะไฟตัณหาหรือว่าไฟโลกไฟโกรธไฟหลงไม่หัวใจสัตว์โลกถ้าไม่มีนม้ำคือธรรมะเป็นเครื่องรวงับดับกันบ้างเลยหัวใจดวงนั้นจะเป็นเหมือนไฟทั้งกองอ เผาร้อนเจราของอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆ ไ, ไม่สําคัญกับสถานที่แต่สําคัญที่ความรุ่มร้อนเพาร้อนติดใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตา่างๆมันเผาร้อนอยู่ภายในไม่มีเรื่องเวลาไม่มีอียาบทใดพอที่จะว่างเว้นนอกจาก มีธรรมเข้าไประงับกับกันเท่านั้นโดยเหตุนี้ศาสนาจีนเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อมวลจัดอยู่มากทีเดยวผู้ต้องการหวังความตุขความเจริญหวังนิร้อนพึ่งเย็นก็ต้องเห็นโทษแห่งไฟทั้งหลายพี่ สมอยู่ภานในจิตใจและเห็นคุณแห่งธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำสำหรับดับไฟเหล่านี้ให้พอลดดอนผ่อนผันพอหายใจได้บังพอบรรเทาไม่รุ่มร้อนตนเกินอีกเกินผลเกินประมาณนรืเกินสติกำลังความสามารถที่จะอดทนได้ บางลายถึงกับเป็นบ้าไปเพาะไฟเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยในโลกเราที่ปราศ จ, จากทมเป็นเครื่องยียารักษาเพราะฉะนั้นทำจึ้นเป็ น, ปนอรรมชาติที่จำเป็นอยู่มากไปลาคะดับด้วยน้ำอันใดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดับด้วยทมขึ้นเป็นคู่ปรับของกันกันเช่น ใหดับด้วยด้วยการพิจารณาอสุภะปฏิกูลโสโครและอันจังทุกขงาาังอนัตตาซึ่งมีประจําอยู่กับสิ่งที่จิตใจไปผัวพันหรือรักชอบเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องอสุภะเรื่องปฏิกูลเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อไฟประเภทในโทสะเกิดขึ้น ระ ง, งับด้วยความเมตตาหนะึ่งและระงับกันด้วยการมองคนอื่นในแง่เหตุผลหนะึ่งหรือการพิจารณาเรื่องราวที่ให้เกิดโทสะนั้นด้วยเหตุผลน ะ, ะย้อนเข้ามาดูตัวที่กำลังโกรธกำลังมมโหโทโสอยู่นั้น คือตัวพิกตัวภัยตัวไฟเผาลนจิดใจอยู่ในขณะนั้นก่อนอื่นที่จะลุกลามประไม้ผู้อื่นใดต้องไมผู้ผู้โกรธผู้โ ม, โมโหโตโสก่อนอื่นนี่เป็นของสำคัญให้ดูที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดขึ้นแห่งภัยคือความโตสะหรือความกลบมาเห็นจิงนี้เป็นภัย ก็ระงับดับกันที่จุงนี้ด้วยอุบายวิธีการต่างๆที่จะระงับดับมันได้เช่นเดียวกับเราคิดในทางผิดมันเกิดโทสะขึ้นมาบางครั้งบางคราวคนอื่นไม่มีความผิดแต่เราเป็นไปเข้าใจเสีเองว่าผู้นั้นมีความผิดหรือผู้นั้นมีอะไรแก่ตนทั้งๆที่เขาไม่มีอะไรเลย ก่อเพราะความสำคัญของตอนเองหลอกลวงตนเองให้เกิดโทสะขึ้นมาเกิดความโกรธความแกนขึ้นมาก็ได้เนี้จะมีผู้แสดงปฏิจิยาอันเป็นความกระโตกขเตือนให้เกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรที่จะไปมองในแง่นั้น มองบุคคลนั้นมองเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นให้มากยิ่งกว่าการย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งเหตุคือตัวโทสะซึ่งเกิดขึ้นที่จัดคนคว้าหาเหตุหาผลทางความโกรถือความโกรธเป็นจุดหมายหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาถือตัวโกรธนั้นเป็นตัวโทษตัวภัยที่ทำลายตนเองอยู่ในขณะนั้น แล้วระ ง, งับกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆไม่ยอมเคลื่อนคลาดจากจุดนั้นไปเลยความโมโหโตโสลกคความโกดจะลุกลามไปไม่ได้เมื่อเราเข้าสู่จุดแห่งเหตุของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องแล้วด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนความหลงนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมากมีแทรกอยู่กับปร ที่เลืประเภทต่างๆเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเราทีจะยกออกมาพูดโมหะสตีเดียวก็ไม่ได้เป็นความโลภนี่ก็มีความหลงมาแทกความโกรธก็มีความหลงมาแทรกความรักก็มีความหลงมาแทรกความชังก็มีความหลงมาแทกทังนั้นอันนี้มันแท้ได้หมดจึงระงับดับกันด้วยสติปัญญาอันแหลมคมเท่านั้น จะให้โมหะนี้สิ้นสุดลงไปเมื่อวิชาได้สิ้นสุดล ง, งไปจากจิตเมื่อใดคึงทราบว่าเมื่อนั้นแหละโมหะอันสาคัญซึ่งเป็นรากเหง้าของจิตทั้งหลายเตรีมจะสิ้นลงไปหากอาวิชายังไม่สิ้นเมื่อไร่โมหะก็ยังต้องมีอันละรากแก้วจริงๆออกมาจากอาวิชชา เราเป็นนักปฏิบัติทำหน้าที่ของการบวชเต็มภูมิของเราทุกวันเวลาทุกอิริยาบทด้วยการทำละสางกิเลตประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจและเกิดขึ้นที่ใจ ก่อนอื่นที่จะลุบลามไปสู่ภายนอกต้องถือเป็นจิตเป็นงานอันสำคัญเราอยากเห็นงานอื่นใดเป็นงานจำเป็นหิหนักแน่นมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการธรระวิเศกประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรท่าต่างๆหรืออุบายวิธีต่างๆ อยโดยสม่งเสมออย่าเสียดายเวลาเวลาอย่าเสียดายอารมณ์แห่งความคิดความปรุงของใจซึ่งเคยหลอกล้อนมาเป็นเวลานานแล้วเป็นประจําอยู่ภายในจิตดวงนั้นเหยื่อสังขารขันหรือสัญญาขันอันนี้ออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติเท่านั้นถึงจะทราบเรื่องของสังขารและเรื่องของสัญญาที่ มันออกหน้าออกตาอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรมากระทบให้คิดให้ปรุงให้เกิดความสั้คัญมั่นหมายก็ตามแต่มันเกิดขึ้นมาโดยลำพังของมันได้อย่างคร่องตัวไม่เหมือนกับวิญญาณที่คอยรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสจึงจะปรากฏขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องถือใจเป็นสำคัญ มีสติคอยระมัดระวังเสมออย่าไปคุ้นเคยกับความเพียรแบบโลกโลกเคยให้เป็นความเคยความทํานานเคยไปในทางทานานจะถือว่าเคยเดินจงคมแล้วลก็เดินไปเฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะสิงที่จะให้เกิดประโยชน์ตามหลักแห่งความเพียรนั้น ต้องมีสติเป็นเครื่องจดจ่อต่อเนื่อง ก, ก, กันกับงานที่ตนทำเห็นผู้บริกรรมก็มีสติกํากับการบริกรรมของตนสืบเนื่องกันไปโดยลำดับผู้พิจารณาทางด้านตรดาสติก็เป็นของสำคัญไปตลอดสายไม่มีที่จะละเว้นสติไปได้เลยการยืนการเดินไปที่ไหน สติให้มีอยู่กับตัวความมีสติอยู่กับตัวนั้นก็เหมือนมีเครื่องรับทราบนอกจากรับทราบแล้วสติปัญญาท่าทางต่างๆที่จะระมัดระวังลึดต่อสู้ต้านทานกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นย่อมทาหน้าที่ได้รวดเร็วกว่าคนไม่มีสติทั้นท่านจึงฝึก สติสติเป็นของสาคัญตั้งแต่พื้นพื้นภาวนาการอบรมในเบื้องต้นก็ยังต้องอาศัยสติเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็เช่นนับปอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากซึ่งนี่เคยไปอยู่แล้ว และได้เห็นเหตุเห็นผล ก, น ก, นกันกับเรื่องของสติได้ดีพอเป็นหลักฐานพยานยืนยันและนำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้โดยไม่สงสัยคือเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวสติยำตั้งตัวอยู่เสมอการตั้งสติอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะความระวังตัวทั้งกลัวตายก็กลัวทั้งกลัวจิตจะส่งออกไปสู่ สิ่งที่กลัวนั้นก็กลัวจึงต้องระมัดระวงังทั้งด้านอห่งอันตรายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นเสือเป็นต้นทั้งภายในคือสติจะเผอตัวจากความเพียรนี้ก็ระวงังไม่ยอมไม่เสียดายบังคับยิตไม่ให้เสียดายในอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่น คิดไปเรื่องเสือเรื่องอันตรายใดๆไม่ยอมให้จิตเลืดลอดออกไปคิดเป็นอันขาดให้จิตคิดตรุงเป็นคำบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมจิดตรงพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธสืบเนื่องกับเป็นลําดับซาระทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดภายนอกให้สติกับจิตกรมกลืนกันเป็นอันเดียว ทีนี้เมื่อสติมีความสืบต่องานของจิตที่กำลังภาวนาก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาสามารถสั่งสมพลังขึ้นมาได้ในขนาดนั้นกลายเป็นจิตที่มีความสงบตัวแน่นหนามั่นคงขึ้นทั้งๆั้ที่เดินก็เดินได้เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็เดินได้แต่จิตมีความแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวเอง ด้วยความมีสติเป็นเครื่องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เคยกลัวก็หายเงียบไปไม่ไม่อยากคิดไม่เสียดายในความคิดเกี่ยวกับอารมณ์ประเภทนั้นแม้จะคิดออกไปถึงอารมณ์ที่น่ากลัวจิตก็เลยไม่กลัวพอคิดออกไปขณะเดียวเท่านั้นจิตก็ถอยกลับทันที อยู่ด้วยความมั่นคงของใจใจเลยกลายเป็นใจที่กล้าหาญขึ้นมาในขณะนั้นทั้งๆ ท, ที่ในเบื้องตน้นเราเริ่มเดินจงกรมจิตกลัวมากแต่กลายเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจเดินสักเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวต่อเรื่องความวกลัวอันใดทั้งสิ้น ผลสุดท้ายเวลาจิตมีความแน่นหนามั่นคงเต็มกำลังของตัวเองในภูมินั่นแล้วอย่าว่าแต่ไม่กลัวเฉยเฉยเแม้เสือจะเดินเข้ามาผ่านทางจงกรมก็จิตนั้นจะเราเองนั่นอะสามารถจะเดินเข้าไปรูปกรรมหลังเสือได้อย่างสะดวกสบายด้วยจิตที่มีความอ่อนโยน ไม่คิดเลยว่าเสือนั้นจะทําอันตรายอะไรแก่ตนได้เลยแต่ความจริงนั้นจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเงี้ยหนึ่งแต่ความรู้สึกในขณะ น, นั้นไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าอันตรายไม่มีความสะทกสะทานเพราะจิตมีความแน่นหนามั่นคงเต็มตัวเกินกว่าที่จะไปหมอบหรือไปกลัว หรือไปอ่อนน้อมต่อสิ่ง น, นั้นว่าเป็นของน่ากลัวกลายเป็นจิตที่สง่าผ่าเผยอ ง, งาอาจกล้าฐานเต็มตัวขึ้นในเวลานั้นนีได้เห็นประจักษ์ใจมาแล้วเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเทียนแม้จะเป็นนิสัยที่คราดบาดตัวของมนุษย์เราที่มีชีวิตอยู่เช่นสัตว์ทั้งหลายกลัวก็าตาม แต่ก็ต้องบังคับตนให้เข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเพื่อการประครองความเพียรได้ดีเสมอมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใหไปอยู่ตามนุกขมูลร่มไมา้ชายป่าและเขาที่เปี่ยยๆอันเป็นที่น่ากลัวพระองค์ทรงเห็นเหตุเห็นผลแล้วในเวลาอยู่ในสถานที่น่ากลัวท่านก็แสดงให้เราได้เห็นได้ อ่านดูแล้วเช่นพระชกสุหากว่าไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวเกิดความเปรี่ยวเปล่าขึ้นภายในจิตใจว้าเวให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวนั้นจะหายไปหากเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวยังไม่หายเพึงอเลือกถึงพระธรรมอันเป็นนิยา น, นิกรธรรมแล้วความกลัวจะหายไป หากเราลึกถึงพระธรรมความกลัวยังไม่หายให้รึกถึงพระสงฆ์แล้วความกลัวจะหายไปนั่นนี่แหละคือหลักตักกันจิตไม่ให้กลัวคือหลักธรรมจะเป็นพุทธธรรมสงอันใดก็ตามเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเวลาเรานํามาพุทธปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนไว้ โดยไม่จิตเล็ดลอดออกไปสู่สิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นของน่ากลัวหรือไม่กลัวก็ตามให้มีความกลมกลืนกันอยู่กับธรรมบทนั้นๆจิตจะมีความแน่หนามั่นคงขึ้นภายในตนโดยลำดับลำหน่จนกระทั่งแน่ชัดภายในจิตใจมาจิตนี่หาความสะทกสะทานหวั่นไหวไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องความกลัวแต่ทั้งสิ่งนั้นะรู้ได้ชัดทีนี้เดินเท่าไหร่ก็เดิน ไปไหนก็ไปไม่มีความรู้สึกว่ากลัวนี่เป็นตามเวลาไม่ใช่จะเป็นอยู่เสมอไปเมื่อกิตถอยออกมาจากนั้นแล้วมันก็มีความกลัวแต่อย่างไรก็ตามเรายังมีหลักฐานพยานเป็นเครื่องยืนดันได้ว่า เราเคยทำด้วยอุบายวิธีนั้นๆจิตท่องเราได้รับความสงบร่มเย็นได้รับความกระหายเราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างอื่นนี่แหละเดียวว่าเราได้หลักเต็นไปไหนก็ใช่อย่างนั้นจริงๆเป็นก็เป็นตายก็ตายจิตจะไม่ยอมปล่อยวางจากหลักธรรมที่นำเข้ามากำกับใจนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาดังที่เคยปรากฏแล้วไม่เป็นอย่างอื่น นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วตแต่สมัยก่อนผิดกับสมัยนี้อยู่มากผ่านกันมาไม่กี่ปีก็ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ต่างกันมากเห็นในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่จัดแต่เสือมีแต่อันตรายทุกวันนี้ป่าก็ถูกทําลายไปหมดไปที่ไหนมีแต่ผู้แต่คนหาคําว่าสัตว์กระเสือชักจะไม่มีนานต่อไปกว่านี้พูดเรื่องเรื่องสัตว์ตึงเสือ คนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ทา ง, งที่มันก็เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วอย่างนั้น <c oughs> ท่านท่านนักปฏิบัติทั้งหลายถึงถือสติเป็นสำคัญถหากรรมกับตัวถือเป็นภาระหน้าที่ของตัวอย่าเสียดายความคิดความตรุงเกี่ยวกับโลกสงสารใดๆที่เราเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพั์มาแล้วได้ผล ดีชั่วประการใดพอที่จะนำมาเทียบเคียงเลือกเซนได้แล้วไม่ควรจะเสียดายในอารมณ์ที่เคยเป็นมาแต่พึงทราบว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องขี้เลอแล้วไม่ว่าประเภทใดๆต้องเป็นเครื่องกล่อมใจสัตว์ได้เป็นอย่างดีนี้อย่าลืม อ, อันนี้เป็นสำคัญที่เราปฏิบัติ ก็พ้นไปจากสัตว์โลกที่จะถูกกลอมจากกิเลศประเภทต่างๆไม่ได้เหมือนกันยึงพึงตั้งสติรอรับไว้เสมอว่ากิ่เรศประเภทใดๆจะต้องมากล่อมที่ใจใจจะต้องต่อสู้กับกิ่เลศด้วยธรรมขึ้นชื่อว่าธรรมต้องฝืนกับกิ่เลศเพราะต่อสู้กันอันในฝืนมักจะอันนั้นเป็นธรรม อันใดที่ไม่ฝืนเป็นความชอบพอมักจะเป็นกิเดสเสมอในขั้นเริ่มแรกเว้นเสียแต่ธรรมะขั้นกลางไปถึงขั้นละเอียดแล้วนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งผิดกัดตั้งแต่ขั้นกลางขึ้นไปแล้วจิตใจมีความดูดดื่มในธรรมคลายโลกามิตทั้งหลายออกไปเป็นลำดับจึงเหล่านั้นไม่มีกำลังจิตใจ หนักแน่นไปในธรรมเพราะทำ ม, มีกำลังเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าไปเดินหนับลงกระทั่งถึงทำขั้นละเอียดเพียงหดอีกยิ่งมีความเพลิดเพินจนเกิ น, นเนื้อเกินตัวไปก็มีในบางครั้งท่านจึงเรียกในสังโยชน์เบิงบนว่าอุทจฉาความฟุ้งจ น, จนลืมเวลาลืมเนื้อดื ม, ม, มตัวอันนี้ก็เป็นสังโยชน์ประเภทหนึ่งคือเครื่องข้อเครื่องเคราะ เครื่องข้องได้เหมือนกันดังเราเห็นในตำราที่พระท่านเดินจมกรมจนฝ่าเท้าแตกนั้นขาความรู้สึกนึกคิดธรรมนาทุ่ๆั่วไปนีแต่ว่าท่านฝึกท่านทรมานตนเองจนบังคับตนเองให้เดินเสียจนฝ่าเท้าแตกแต่ถ้าคิดตามหลักปฏิบัติแล้ว ขั้นหนึ่งความเพียรขั้นนั้นหากเป็นอย่างนั้นเองคือลงได้ทำมันเป็นความเพียรอยู่ทุกเอียบุตไม่ว่าจะดืนจะเดินจะนั่งจะนอนเช่นเดินจงกรมนี้ปิดใจหมุนติ้วอยู่กับธรรระหว่างทำกับวิเลี่ยที่ต่อสู้กันพัวพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะคิดถึง เดือนปีนาทีโมงเช้าสายบ่ายเย็นหิ้วก็หายใดใดทั้งสิ้นเหมือนกับเข้าตรุมบ่อนกันจะเป็นเผือตัวไม่ได้นั่นแหละความเพียรที่ทำให้เผดเดินจงกรมจงกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่รู้สึกตัวเพราะพลังของจิตที่มีกำลังมากเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นฟาฟันหันแหลกกับวิริยะ ไม่มีคําว่าท้อถอยปล่อยวางนอกจากให้ได้ชคยชนะหรือกิเลสหมอบราบไปหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นซากกิเลสรอบตัวไปหมดนั่นแหละเป็นที่พอใจของความเพียนประเภทนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรของท่านที่จนถึงฝ่าเท้าแตกนั้นตามความรู้สึก ของเราเองว่าเป็นไปเพราะความเพลินในความภาคเพียไม่ใช่เป็นไปเพราะความบังคับจิดเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกทั้งๆที่ผิดก็ ร, รอดปุ่นนั้นวุ่นนี่หาสาระแฉนสามไม่ได้แล้วก็เดินจงกรมจนส่าเท้าแตกนี่คิดว่าจะเป็นไปได้ยากแต่เพราะความเพียนเป็นเครื่องดึงดูดให้เพลิน จนลืมเว ล, เวลาลืมเหน็กเหนื่อยเมื่อยล้าจนฝ่าเท้าแตกนั้นเป็นไปได้โดยไม่สงสัยในหลักปฏิบัตินี่เคยผ่านมาแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าถึงขั้นนั้นตั้งแต่ขั้นกลางไปถึงขั้นนั้นขั้นที่ว่านี้เป็นขั้นที่ละเอียดไปโดยลาดับแล้วอันนี้กําลังของโลกอ่อนลงโดยลาดับ แทบไม่ปรากฏเมื่อละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นต้องได้คุ้ยเสียขุดค้นหาตัวที่เหล็กเพราะที่เหล็กหมอกหลบซ่อนสติปัญญาอันทันสมัยเพียงไกลเต็มที่มีแต่ถ้าจะฟาดปัญันแหลกโดยข่ายเดียวหาคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าท้อถอยไม่มีมีแต่ถ้าจะเอาให้แหลก แต่กระจายไปจากจิตใจไม่ให้มีเหลือเลยแม้แต่นิดหนึ่งขึ้นที่ว่าสมมุติมีเท่านั้นเพระนาะฉะนั้นจิตขั้นนี้จริงหาความท้อถอยไม่ได้หาความขี้เกียจไม่มีมีแต่ความพยันหมั่นเพียรโดยถ่ายเดียวต้องรั้งเอาไว้คำว่ารั้งคือรั้งเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเพื่อพักจากงานที่ ชุลมุนวุ่นวายกันไม่มีเวลาแเวลาระหว่างทํากับกิเลสต่อสู้กันเข้าสู่ครับสงบคือสมาธิเป็นการเป็นเวลานี่เป็นความเหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติเมื่อพักงานตามธรรมดาของอกิจขั้นนี้ต้องเสียดายงานเสียดายการทํางานไม่อยากพักด่วแต่จําเป็นต้องบังคับเรียกว่ารั้งเอาไว้เข้ามาพัก สงบเมื่อพักสงบแล้วจิตใจก็มีกำลังหยุดปรุงแต่งโดยทางปัญญาที่เคยนำไปใช้ปฏิเลสเสียในขนาดนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนทรงตัวอยู่ได้ขนาดพอสมควรพอรู้สึกตัวว่ามีกำลังแล้วก็ถอยจิตออกแล้วก็จิตนั้นพอถอยออกเท่านั้นจะวิ่งถึงงานทันที แล้วมีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตแล้วก็หมุนเตี้ยวกันไปโดยลำดับถ้าขั้นนี้แล้วไม่มีความขเขียดนิดหนึ่งก็ไม่มีความขี้เกียจหาหน้าไปหมดี่เลียดหมอบต้องคุย้ยเกียวขุดค้นกันถ้าันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอี่เลียดแล้วที่นี่ก็ต่อสู้วิเลี่ยดก็เป็นงานประเภทหนึ่ง การคุยเคียหากิเอ็กก็เป็นงานประเภทหนึ่งเวลาเจอกันแล้วก็ต่อสู้กันก็เป็นงานอันนึ่งจนได้ชาตชนะคือหมายคำว่าเข้าใจจนเกลเอ็กนั้นหลุดลอยลงออกไปจากใจแน่ใจเห็นตระจักแล้วคุยเยคียงไปคดมอีกเจออีกเอาอีกอย่างนั้นนี่บอกปัญญาขั้นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเอง ผู้ปฏิบัติถ้าลงปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีเวลาจิตใจที่จะว่างางานงานจะเป็นไปอยู่ตลอดอิรยบทเว้นเสียตหลับแม้จตหลับก็ยังไม่อยากจะหลับบางคืนตลอดรุ่งเฉยเฉยไม่หลับเลยเพราะจิตยังทำงานด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องได้ร้างจิต ยับยัง้งจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อให้จิตมีความสงบมีท่านในขั้นนี้พูดตามธรรมะป่าเราเรียกว่าเธินในความเพียรอาจจะเข้ากันได้กับคำที่ว่าอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนคือความฟุง้งความเทินในความเพียรคือฟุ้งหมายของว่าวุ่นอยู่กับทิ่เลยต่อสู้กับจิตเล พุ่งตัวออกไป ส, สู้ต่อสู้กับกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบโลกโลกแล้วเกิดความลำคาญแบบโลกโลกอย่างนั้นผิดกันคนละโลกไม่ใช่อย่างนั้นฟุ้งในสถานที่หมายถึงว่าพุ่งไปต่อต่อสู้กับงานกับกิเลสนั่นเองจนจนลืมเนื้อลืมตัวลืมเวลาเวลาเน็ดเหนื่อยมเมื่อยล้าให้หมดท่านอุท ธ, ธจัจจ เมื่อกิตผ่านไปแล้วถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อตรงนั้นมันคือจุดนั้นถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่รู้เช่นอย่างพักจิตอย่างนี้มันจะตายจริงๆก็มาพักสักทีหนึ่ ง, ท, งทั้งที่ไม่อยากพักก็ต้องจําใจพักเพราะจิตมันเหนื่อยมากจริงๆแต่เหนื่อยก็ไม่ถอยนะถ้าเป็นสิ่งที่ตายไปได้มันก็ตายจริง แต่นี้จิตไม่ใช่เป็นของตายได้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยความเพรียภายในจิตจึงต้องเข้าสู่สมาธิเพื่อความผักทักให้มีกำลังพอถอนออกจากสมาธิแล้วจิตใจจะรู้สึกขึงขังตึงตั ง, ตงนี่เห็นคุณค่าของสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีท่านจป็กล่าวไว้ในอนุสัตถ น, นว่า สมาธิปริภาหิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซ่าปัญญาอันสมาธิอบรมคืออันสมาธิหนุนหลังพูนในงานอันมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วแต่ย่อมทํางานได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปโดยลำดับนี่พูดเอาความเป็นอย่างนี้จึงสมาธิจึงมีความจําเป็นตลอดสายจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย สมาธิจะละไปไม่ได้ถึงการพักต้องพักเช่นเดียวกับเราทำงานเวลาทำงานก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเต็มเม็ดเต็เหมหน่วยถึงเวลาพักก็ต้องพักรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับพักเอากำลังวังชาก็ต้องพักถึงไม่ได้งานได้การอะไรจากการพักแต่ก็ได้กำลังสำหรับดำเนิน ง, งานในการต่อไปได้โดยสะดวกหนักเป็นอย่างนั้น สมาธิกับปัญญาจึงมีความเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกท่นี้ปัญญาปริภาริตังจิตตังสัมมาเดวะอัสมาธิมุจะติกันปัญญาอันจิตอบตรมแล้วอันจิตซักฟอกจิตอันปัญญาซักฟอกแล้วพูดเต็มให้มันเต็มตามความถนัดใจคือจิตอันปัญญาซักฟอก แล้วย่อม ด, ดพ้นจากกิเลสทั้งปวง mm hmm. นั่นเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจริงแยกไม่ออกพระพธิเก้าทรงเป็นผู้บันดาลเองเพื่อส่วนรวมทั้งหลายเป็นสาธหณะคำว่าศีลสมาธิปัญญามีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ mm hmm. แต่สมาธิของใครจะเด่นขนาดไหนนั้นเป็นไปตามกดินิสัยเป็นานแต่เรื่องความสงบ ว่าจะเป็นบาตรฐานแห่งปัญญานั้นมีความจำเป็นเสมอกันไม่มีสมาธิเลยจะเป็นปัญญาล้วนๆไปเลยทีเดียวนั้นเป็นปัญญาอย่างน้อยต้องมีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวพอประมาณหรือจิตอิ่มตัวเหมือนกับเราได้รับฐานแล้วแล้วตั้งหน้าตั้งตาทางานให้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ทะเลาทะเลัย ไ, ไม่ควานน้วาน้นควานี่เหมือนจิตที่ ไม่มีความสงบมีเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านลำคาญพิจารณาให้เป็นปัญญ า, ากลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปหม ด, ดีละอืยเพราะจิตไม่ได้อิ่ตัวเพะฉะนั้นการอบรมสมาธิจึงมีความจําเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามมีความจําเป็นต่อปัญญาขั้นนั้นๆเราอย่าไปคิดว่าได้สมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาอันนั้นเป็นความเห็นผิด ความสงบขนาดใดก็ควรแก่ปัญญาขนาดนั้นบางครั้งปัญญานี้ต้องมาอบรมจิตให้เป็นสมาธิก็อย่างดังที่เขียนไว้แล้วนั้นอันนั้นมันเป็นช่วระยะการที่เราจะควรนำมาใช้ไม่ใช่เป็นธรรมเสมอไปแต่เป็นธรรมเสมอไปเฉพาะสมาธิอบรมปัญญาดางที่ท่านกล่าวไว้ยล้วนั้น นี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ได้กล่าวขึ้นต่อเรื่องความหนักใจความท้อถอยอ่อนแอเอย่าเขาเรื่องการงานในเบื้องตน้นเป็นการลำบากทําให้เกิดความท้อถอยน้อยใจอาจคิดไปว่าตนไม่มีวาสนาบ้างตนมีวาสนาน้อยบ้างเป็นเรื่อง ให้เกิดอุปรสรรคต่อการดาเนินไม่เต็มเมตรเต็หมหน่วยเรามีมอุปนิสัยด้วยกันทุกคนเวลานี้เราก็ได้เป็นพระตั้งหน้าตั้งตามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาความเชื่อความเดิมใสทิเลส ก, ก็มีประเภทเดียวกันกันกบครั้งพุทธการไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นเลยธรรมะที่เป็นเครื่องปราบทิเล ดุสินสมาธิปัญญาเป็นต้นก็เป็นธรรมะที่เคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงสมัยนี้ไม่มีคําว่าล้าสมัยธรรมเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ทันกับกิเลสทุกประเภทขอให้นํามาใช้แต่พะอย่างยิ่งสติกับปัญญาให้ถือเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลัง เราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจใจที่เคยอัดอั้นภายในตัวเองเพราะอำนาจแห่งกิเลสบีดบังคับเมื่อได้รับการบุกเบิกด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือแล้วจิตใจจะค่อยเบิกกว้าง หรือสิ่งนั้นจะเบิกกว้างออกไปจิตใจจะได้เกิดความโล่งโถงสว่างสวัยภายในใจตนมีความสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สบายเพียงแต่ขั้นสงบเท่านั้นเราก็สบายายพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายวิธีการแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญานั้นขึ้นอยู่กับจดีนิสัยของท่านผู้ใดจะควรคิดค้นขึ้นมาให้เป็นความถนัด เหมาะสมกับประดิษฐ์จิตใจของตนและเป็นสิ่งที่จะทําให้กิเลสหลุดลอยไปได้นั้นเป็นอุบายที่ถูกต้องด้วยกันเราจะคอยเอาตามแบบตามแผนตามตํำรับตําราโดยไถ่เดียวจะไม่ทันการไม่ทันกับกิเลสซึ่งนอกจากคมพีมีเยอะกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสจะเพ่นอนกองกันอยู่ในกัมพีให้เราไปฟาดไปฟัน กันด้วยมากซึ่งอยู่ในคัมภีร์อันเดียวกันนั้นให้กิเลสที่หายตายไปหาได้ไหมกิเลศมันอยู่นอกคัมภีร์มันเข้ามาอยู่ในหัวใจเรานี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงขึดขึ้นที่ตรงนี้เราได้เงื่อนในหลักฐานมาจากการศึกษารเรียนพอประมาณแล้วให้มาตีแผ่ออกแต่ละแขงนงแขงนง เป็นอุบายวิธีการนองตัวเองนำมาใช้ฆ่ากิเลสปราบรกิเลสภายในจิตใจของตนนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความแยบายไปตามประดิษฐ์ในิสัยของแต่ละหลายที่จะควร น, นำมาใช้สำหรับตนถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นเอยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนขอให้มีสติ อู่โดยสม่ำเสมอแม้จะไม่ได้พิจารณาอะไรความรู้สึกตัวให้เป็นสัมปัตยัญญะพยายามฝึกให้ดีสัมปัตยัญญะคือเมื่อสติมีความสืบเนื่องดูกับตัวท่านเขาเรียกสัมปัตยัญญาท่านลึกลูนเป็นขณะขณะไปก็เรียกว่าสติถ้าละเอียดขึ้นไปจนถึงกับเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาแล้ว ท่านเขาเรียกมหาสติมหาปัญญาเพราะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆสติเมื่อถึงขั้นแก่กล้าสามารถปัญญาเมื่อถึงขั้นฉลาดแหลมคมแล้วคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลามันฉลาดได้ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งถึงคราวจนกรอกจนมุมด้วยแล้วสติปัญญามันจะหมุนติ้วกันไปเองใครจะไปะยอมจนกรอกใครจะไปะยอมตายเฉยๆทั้งที่ทั้งช่างถิ่นสติปัญญา พอที่จะคิดคน้นหามาแก้ไขพอได้เล็ดรอดไปได้ยังมีอยู่ภายใน ห, หัวใจใครจะไปะยอมตายเฉยๆตอนนั้นละ่ะตอนสติปัญญาเกิดแล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาตัวเล็ดรอดไปได้และได้หลักฐานพยานดนดันจากองอาจก่าหารในวาระต่อไปขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้มีความเข้าหารต่อแดอ่แงความพ้นทุกข์ อื่นเราก็เคยได้พบได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วดังที่ได้พูดและดังที่เคยได้เห็นได้สัมผัสมาแล้วนั่นแหละไม่มีใครโคงใครได้เรื่องของโลกแล้วเพราะต่างคนต่างเคยสัมผัสสัมพันธ์มาด้วยกันโทษคุณขนาดไหนก็เห็นแน่ด้วยใจของเราด้วยตัวของเราส่วนทํา น, รรนี้เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นท่านผู้วิเศษจะด้วยเป็นผู้แสดงไว้เราก็ยัง ไม่เห็นอย่างท่านผู้วิเศษคือใครก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงค้นพบธรรมอัศ จ, จรรย์ธรรมอัศ จ, จรรย์นี้ผู้ที่จะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้ทรงนถทรงชาติอัศ จ, จรรย์นั้นไว้ก็คือใจพระพุทธเจ้ากา็ธรรมาตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้ที่ใจข้ามกิเลส ให้หมอบราบไปหมดเหลือแต่ทำน้่นล้วนเต็มพระไทยนั่นเนี่ที่เรียกว่าศาสดาองค์วิเศษท่านรู้ทั้งเหตุทั้งผลอย่างเต็มพระไทยแล้วนำมาสอนลูกอย่างไม่อาจไม่อั้นธรรมะที่กล่าวไว้ว่าแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์นี้มีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระพรองศาสดาแล้ว ศ้ารดาสอนโลกมากสอนมากสอนอยู่ถึงสี่สิบห้าพันษาจึงเสด็จปรนปนิพพานหนจะมีเพียงแปดหมื่นสี่พันมัธรรมขันธ์ทันกับโรค ก, กิเลสตัณหาอสวะของสัตว์ทั้งสามโลกกาะถานี้ได้อย่างไรถ้าทำไม่มากมายิ่งกว่านั้นเป็นไหนนทันกับกิเลสของสัตว์ประเภทใดๆก็าตามโดยลำหนัดไม่มีอัดมีอัน ในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ซ้ำรอยกันนอกจากจะดิตนิสัยของสา์โลกจะซ้ำรอยอุบายวิธีการแห่งธรรมที่ทรงแสดงออกจึงจะซ้ำกันหากจะดิตนิสัยของผู้มาเกี่ยวข้องไม่ไม่ซ้ำกันธรรมะพระองค์ที่จะนำสั่งสอนสโุกเพื่อได้รับประโยชน์เป็นะระดับนั้นจะซ้ำกันไม่ได้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นาศาสดาเอกได้อย่างไรเพียงพวกเราคือ ตัวเท่าหนูนี่ไลองรู้สิรู้อัดรู้ทำขึ้นภายในใจต้องพูดได้อย่างอาจฐาน응ควรที่จะแก้ไขดัดแปลงซึ่งกันและกันในวงปฏิบัติ ด, ด้วยกันอย่างไรต้องพูดได้เต็มปากเพราะได้รู้ได้เห็นทั้งเหตุทั้งผลได้ผ่านมาด้วยกันอย่างโชกโชนแล้วและเห็นผลประจักษ์ใจแล้วทำไมจะพูดจะสั่งสอนแนะกนไม่ได้ก응ว้างแคบขนาดไหนก็ต้องเป็นภูมิมของผูนั้นเหมือนกัน เพียงเท่านี้ก็พอให้ทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความศาสนานั้นทรงแสดงธรรมแก่โลกนั้นมีธรรมประมาณเท่าไหร่พอครอบโลกกรานน อ, อุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกในสามโลกกรานนี้ไม่อย่างนั้นไม่ทันกับพิเลศของสัตว์นี่ก็พยายามอบรมสั่งสอนมูเพื่อน เพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์ผู้มาใหม่ก็มีผู้มาเก่าก้มตั้งอกตั้งใจอย่ามาแบบทะเลทลายมาสัต์แต่มาอยู่สัตว์แต่อยู่ไปสัตว์แต่ไปไม่ได้เดือดได้ลาวแล้วมาเอาชื่อเอานามมาประอยู่กับอาจารย์นั้นอาอยู่กับอาจารย์นี้ไปจับจ่ายขายกินจากนั้นก็ยิ่งเลวซามใหญ่ไม่ตรงกับความมุ่งหมายของผู้ให้การอบรมเพื่ออัดเพื่อทําโดยแท้ แต่บรรดาท่านภูมิมาอาศัยทั้งหลายเพราะนกินเห็นใจในอุตส่าห์พยายามแนะนำตักสอนเพื่อนูกมาเต็มปิติกำลังความสามารถไมว่าธรรมะขั้นใดไม่เคยมีปิดบังลี้ลับเปิดเผยฝังทุกแง่ทุกมุมเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ดำเนินตามหลักที่แน่ใจว่าได้สอนโดยถูกต้องแล้วนั้น แน่ต่อตัวนี้ไ ป, ปก็ให้การปัญญาอิบายเปื่อนฝ่า